ตอนนี้ไปเวลาเวลาไม่พอเวลาน้อยยมไม่เยี่ยมหลายวันแล้วไม่ค่อยได้พูดกันไม่ค่อยได้ถามเพราะว่าวัดประโพงแขกมากทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีโอกาสที่จะพูดยมอมคงคิดในยานูมาเยี่ยมจากปารีสมาเยี่ยมหลายวันไปพักอยู่วัดประโพงสามคืน แลี่ก็จะมาพักคืกที่วัดปานานาชาตินี่สามคืนอีกสองคืนก็จะไปกันแล้วฉะนั้นจึงถือโอกาสมาดีใจเท่าที่อุตสาห์พยายามมาเยี่ยมวัดหน้องปะพงแล้วก็มีโอกาสมาเยี่ยมพระลูกชายด้วยแ้วก็ดีใจแต่ก็ไม่มีอะไรจะฝาก วัตถุจริงของอะไรคงอยู่ปา ร, รีสคงจะมากแล้วเยอะแยะแล้ววัตถุแต่ธรรมะรู้จะไม่ค่อยมีเท่าไรที่จะบำรุงจิตใจของเราให้สงบระงับนี้ไม่ค่อยจะมีที่จะมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วมีแต่เรื่องจะทำให้จิตเรายุ่งยากลำบากวุ่นวายตลอดการตลอดเวลา ที่อาตมาไปสังเกตเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าเมืองปา ร, รีสที่อยู่นั้นเจริญด้วยวัตถุหลายอย่างเป็นกามารมมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะธรรมรมเป็นที่ยั่วยวนของบุคคลที่ไม่รู้จักธรรมะให้มีความวุ่นวายมากฉะนั้นบัดนี้ขอฝากธรรมะ ซึ่งไปปฏิบัติอยู่กรุงปา ร, รีสเมื่อจากอาวัดหลงวงปู่พง์และวัดน า, นาชาติไปแล้วคือธรรมะธรรมะนี้จะแปลไปด้วยเดเอาเลยนะี่นะเอเอาเลยมันไม่สะดวกนะธรรมะนี้เป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งจะตัดปัญหาความยุ่งยากลำบากในใจ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 เป็นผู้วุ่นวายเป็นผู้จงบงประงับก็คือกายกับใจไอความเป็นจริงนั้นไอใจของเรานั้นมันเป็นปกติอยู่เช่นว่าน้ำฝนเปรียบเหมือนน้ำฝนมันเป็นน้าที่สะอาดมันจะมีความใสบริสุทธิ์สะอาดเป็นปกติถ้าหากวัดเอาสีเขียวใส่เข้าไป สีเหลืองใส่เข้าไปน้ํามันก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีเขียวไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นจิตเรานี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไปถูกอารมณ์ที่ชอบใจใจก็ดีใจก็สบายเมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจแล้วใจนั้นก็ไม่สบายใจนั้นก็ขุ่นมัวเหมือนกันกับน้ํา ทีสูบสีเหลืองมันก็เหลืองไปถูกสีดํามันก็ดําไปถูกสีเขียวมันก็เขียวไปมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยไอ้ความเป็นจริงนั้นน้ํำที่มันเขียวมันเหลืองนั้นปกติของมันมันเป็นน้ำใสสะอาดคือน้ําฝนเป็นปกติของจิตจิตของเรานี้กนวันกาฉันฉนั้นเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่มีปกติไม่วุ่นวาย ที่มันจะวุ่นวายนั้นเพราะมันเป็นไปนกับอารมณ์มันหลงอารมณ์พูดให้เห็นชัดเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่ในป่าที่มีความสงบนี้เหมือนกันกบใบไม้ใบไม้ถ้าไม่มีลมมาพัดมันก็นิ่งสงบระงับอยู่ถ้ามีลมมาพัดไปมันก็ขวัดแปลงไปตามเรื่องของลมจิตใจนี้ควรเป็นกันแข็ น, นั้น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 ดังนั้นการกระทําให้จิตสงบระงับนั้นในทางพุทธศาสนาท่านเรียกว่าการกระทํากรรมฐานกรรมฐานนี้ฐานะมันเป็นที่ตั้งกรรมะคือการงานที่เราจะต้องทําขึ้นให้มีเช่นว่ากายเราเป็นส่วนหนึ่งจิตเหล่านี้ก็มีส่วนหนึ่งสองอย่างเท่านั้นเนี่ยกายนี้เป็นสภาวะธรรม เป็นรูปรธรรมที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของเรานามธรรมานั้นเป็นสภาวะอันหนึง่งซึ่งไม่มีรูปมองเห็นด้วยตาไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่เมื่อรวมตามภาษาสามัญระดึกกายกับใจกายมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อจิตมองเห็นด้วยตาในคือตาใจมีอยู่สองอย่างเท่านี้มันวุ่นวายกัน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 ร้อนบังเย็นบังสารพัดอย่างที่นี่เมื่อเราไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ก่ทนทำจิตของเราให้ยุ่งการจะทำจิตให้เป็นรากฐานก็คือกรรมาฐานรมหายใจเข้าออกเป็นรากฐานเรียวกว่าอนาปานสติอนาปานสตินี้คือรม รวมหายใจเข้ารวมหายใจออกเรียกว่ารมอนาปาลสติที่นี่จะยกอารมณ์นี้เป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ให้รู้จักให้รู้จักการกระทากรรมฐานเพราะว่าอย่างอื่นมากมายหลายอย่างมันก็ยากลำบากเอารมณ์นี้ดีกว่าเพราะว่ารมณ์นี้เป็นมงกุฎกรรมฐานตั้งแต่ขั้งลึกดำบันมาแล้ว เรานั่งสมาธิตอนเรามีโอกาสดีๆเ้าพอไปนั่งสมาธิกำหนดเอามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายจะิตั้งกายให้มันตรงแล้วก็นึกในจิตของเจ้าของว่าวัดนี้เราจะวางภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไป ไม่เอาอะไรมาเป็นเครื่องกังวลปล่อยจะมีธุระอะไรมากมายก็ปล่อยทิ้งในเวลานั้นสอนอิจของเจ้าของว่าบัดนี้เราจะกำหนดตามลมอันนี้ให้มีความรู้สึกอยู่แต่ลมอย่างเดียวนี้แล้วก็หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกการกำหนดลมหายใจนั้นอย่าให้มันยาวแต่อย่าให้มันสั้น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 ไม่มีที่หน้าที่จะคิดไปอย่างอื่นในปัจจุบันนี้แล้วก็กำหนดลมหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าแล้วกำหนดสติความระลึกได้ตามเข้าไ ป, ปสัมปชัญญะความรู้ตัวบาปบนี้เรามีลมหายใจอยู่เมื่อลมเข้าไปครั้งแรกต้นลมอยู่ปลายจมูกนี้กลางลมอยู่หัวใจคือหัวใจปลายลมอยู่สะดือ มาหายใจออกมาต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัไทยปลายลมอยู่จมูกเมื่อลมหายใจเข้าไปต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัไทยนปลายลมอยู่สะดืออย่างนี้ให้รู้สึกอย่างนี้ต้นลมหนึ่งจมูกสองหัไทยสามสะดือแล้วก็หนึ่งสะดือ สองหัตถสามจมูกกำหนดสามการนี้หายความกังวลทุกอย่างไม่ต้องคิดเรื่องอื่นใลยกำหนดตรงนั่งกําหนดต่อไปให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมปลายลมสมมุต<อ>ิบางทีจิตใจของเรานั้นมันจะวิตกขึ้นมาอย่างอื่นคือยกเรื่องเราเรื่ต่างๆขึ้นมา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 สติคือความระลึกได้สมปาจชัญญาคือความรู้ตัวนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนอยู่กับจิตนี้เองเราทำแบบนี้ไปต่อไปด้วยเรื่อยไปจนวกว่าจิตนี้มันจะสงบระงับลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งคือจิตนี้มันจะฟักไฝ่อยู่กับรมนี้มันไม่แยกไปที่อื่นสบายไม่วุ่นวายต้นลมก็รู้จักกลางลมก็รู้จัก ปลายลมนี่ก็รู้จักเมื่อรู้จักเช่นนี้เราก็กำนดนดอยู่เสมอเมื่อจิตสงบประงับแล้วเราจะรู้อยู่แต่ปลายลมต้นลมนี่ก็ได้ไม่ต้องตามลงไปเอาแต่ปลายจะมูออเราเม่มันออกเดียวก็มันเข้ามันออกมันก็ไม่ต้องตามมันลงไปก็ได้เมื่อจิตสงบประนับแล้วอันนี้เรียกว่าทําจิตของเราในจุลจิตของเราสบายสงบ ความสง บ, บของจิตเกิดขึ้นเนี่ยให้หยุดจิตนี้เดียวหยุดอยู่กับอารมณ์หนึ่งจิตเป็นหนึ่งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกตลอดไปนี่การกระทำจิตเช่นนี้เดียกว่าทำจิตให้สงบแล้วทำจิตให้เกิดปัญญาอ่าอันนี้เรียกว่าเป็นเบื้องต้นเป็นหลากฐานของกรรมาฐาน อันนี้ให้พยายามทาทุกวันทุกวันจะอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านก็ได้อยู่ในรถก็ได้อยู่ในเรือก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เรามีสติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าการภาวนาการภาวนานี้มีหลายประการเหมือนกันในอิริยาบถทั้งสีมดเลยไม่ใช่ว่าจะนั่งอย่างเดียวจะยืนอยู่ก็ได้ จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ขอแต่ว่าเรามีสติกำหนดอยู่เสมอเลยว่าวัดนี้จิตใจเราอยู่ในลักษณะอย่างไรมีอารมณ์อะไรเป็นอยู่จิตเป็นสุขไหมจิตเป็นทุกข์ไหมจิตวุ่นวายไหมจิตสงบไหมให้เรารู้เห็นอยู่อย่างนี้นี่หมายความว่า ให้รู้จักความผิดชอบในเรื่องจิตของเราอยู่ตลอดการตลอดเวลานี่เรียวกว่าการทําจิตของเราให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วปัญญามันจะเกิดปัญญามันจะรู้ปัญญามันจะเห็นเมื่อจิตสงบแล้วเอาจิตที่มันสงบนี้พิจารณาพิจารณาหรืพิจารณากรารมฐ า, า, านคือร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะ ลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าเป็นมหาศีรษะเอาจิต ท, ที่สงบ้วยพิจารณากลับไปกลับมาอยู่ด้วยห้เห็นเกษารลมาณนขะาตันตาปาโจเป็นกรรมฐานนี้ว่าหเห็นว่ารูปร่างกายทั้งหลายนี้มีดินแล้วมีน้ำแล้วก็มีไฟแล้วก็มีลม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 อะไรไม่มีไทยไม่มีฝรั่งไม่มีเขมียนไม่มีมยวนไม่มีลาวไม่มีไม่มีใครมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเท่านี้เป็นอยู่ที่นี่ยิงสมมุติว่าเป็นบุคคลเป็นสัตว์ขึ้นมาไอ้ความพิจิงกว่าเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะก่อนไม่มีอะไรก็ดินก็ดีน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็เรียกว่ามนุษย์นี้ เป็นขอไป้วยอนิจจังทุกขังอนัตาคือเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของไม่แน่นอนเป็นของหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เช่นนี้ไม่ยั่งยืนอยู่กับที่แม้แต่ว่าอร่างกายของเราก็ไม่ไมแน่ไม่นอนเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอโดยทีเดียว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 ถ้าเราไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเชื่อจิตของเราดวงเดียวนี้มันก็โผหกเข้าเราื่อยไปเป็นเป็นทุกข์บัง่งเป็นสุ ข, ขบัง่งสลับซับซ้อนกันไปนี่เดี๋จิตนี่มันก็เป็นของไม่แน่นอนกายนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนรวมแล้วเป็นอนิจจงรวมแล้วเป็นทุก ข, ขังรวมแล้วเป็นอนัตตาสิ่งทั้งหลายนี้พระบรมครูของเราท่านจึงว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตน ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเดียวกว่าธาตุคือดินน้ำไฟรวมทั้นั้นเองอันนี้เรื่องการพิจารณาเอาจิตมาพิจารณาเมันเห็นชัดลงไปแค่แล้วเมื่อมาเห็นชัดตรงไปแล้วอุปทานที่ถอนว่าเราสวยบ้างเรางามบ้างเราดีบ้างเราชั่วบ้างเราทุกบ้างเรามีบ้างเราอะไรอะไรบ้างหลายๆอย่างนี่มันก็ถอนไปถอนไปเห็นสภาวะเดียวกัน เห็นมนุษย์สัตว์ทางหลายเป็นนเดียวกันเห็นไทยเป็นนเดียวกันกับฝรั่งเห็นฝรั่งเป็นดินเดียวกันกับไทยสารพัดอย่างมันเป็นธาตุเท่านั้นคือเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นดมเมื่อจิตเร้เห็นเช่นนี้มันกระท้อนอุปทานความยึดมั่นความถือมั่นออกจากจิตใจของเจ้าของเมื่อพินาเห็นอนิจจังถูกขังนิสตาอะไรตัวเราก็ไม่มีสัตว์ไม่มีแล้วมันก็น่าสังเวช ถอนอุปทานออกแล้วถอนอุปทานออกไม่ขบยึดว่าเป็นตัวว่าเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นเขาสารพัดอย่างจิตใจเห็นเช่นนี้มันเกิดนิพิทาความเมื่อนายคลายความกำหนัดคือเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วจิตใจเราคอยจุดจิตใจเราก็เป็นธรรมะลาคะก็ดีโทสะก็ดี โมหะพอีมันก็ลดน้อยถอยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทกทผลสุดท้ายที่ทำคือจิตนี้เป็นอยู่เท่านั้นอันนี้เรียกว่าการทากรรมฐานฉะนั้นอันนี้กิงจะขอฝากโยมเอาไปพิจิตตพิจรารณาเอาไปศึกษาประจำวันประจำชีวิตของโยมแม่มารับธรรมะโอวาทคำสั่งสอนไปจาก มาจากวัดนงประพง์หรือวัฒนาชาติแล้วอันนี้เป็นมรรกถูกทอดนี่ะโย ม, มาคราวนี้น่ะพระทั้งหมดทางพระลูกชายเลวยทางพระอาจารย์ทางหลายด้วยแล้วเขาเอาธรรมะนี่ฝากเอาไปพินาใจเราก็จะสบายต่อไปนี่ใจจะไม่วุ่นวายใจก็สงบสงับ กายวุ่นวายก็ช่างมั่นใจไม่วุ่นวายเข า, าวาขาุ่นวายในโลกเราไม่วุ่นวายถึงแม้ว่าความวุ่นวายจะในเมืองนอกมากเราก็ไม่ต้องวุ่นวายเพราะจิตเราเห็นแล้วเป็นธรรมแล้วอันนี้เป็นหนทางที่ดีที่ถูกต้องมีฉะนั้นจงจำเอาไปพิจิตรีเจรนาผลแตงโมผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดเมื่อเขาโดนลงแต่ยังเป็นด อ, อกอยูนนก็มี บางช่อเป็นลูกเล็กๆแล้วลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อกยังไม่ได้เป็นผลเล็กหรืเป็นดอกเดังนั้นแหละมันหักไปลมพัดบางช่อก็เป็นลูกโตๆแล้วเกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปบางผลจนจะสุกแล้วมันโดนไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกัน เกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปก็มีออกมาวัน 2. องวันตายไปก็มีเดือนสองเดือนสามเดือนตายไปก็มียังไม่ทันโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตายไปก็มีอย่างนี้บางคนก็ท้องเสียชลาแล้วถึงตายไปก็มีเมื่อนึกถึงบุคคลล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอน นักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้นบวพนชพรรษาหนึ่งสึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพระขาวนอะพาพรขาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมตอนหนีแล้วก็มีบางคนก็อยู่สามเดือนสี่เดือนห น, น, น, น, นีก็มีบางคนในบวชเป็นนินบวชเป็นพระพัรษาสองพรรษาแล้วสึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วสึกก็มี มันกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปเลยไม่ได้สุขจิตใจมนุษย์เหล่านี้ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไปถูกอารมณ์มาชุดไปมาดึงไปนี่ตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้ พวกขุองดันก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แต่ก็นึกถึงสภาวะของพระ น, นิซึ่งเป็นบริษัทธบริวารของท่านก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนจนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่ประวัติในคราวที่เป็นเทนูกุมารท่านก็ไม่ได้ไปเรียนอะไรมากมายท่านไปเห็นตุนาโมกในสวนอุทยานท่านไปชมสวนอุทยานกับอมาต์ทั้งหลาย ขึ้นหลังช่างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะทรงดีประไทยว่ากลับมาถิงจะเสวยก็พอผ่านไปพวก อ, อมาดอยู่ข้างหลังก็เก็บมะม่วงตีด้วยกระบองบงังอ้ยแสบบังให้ใบมันขาดริ่งมันหักเพื่อม่งจะเอาลูกมันมาทานกัน หมดตอนเย็นกลับมาผ่านย้อนอาดุพยานมาขนกุมารจนเป็นพระเจ้าเป็นดินคม น, นึกว่าจะเสวยผลไม้ทั้งหลายนั่นจะทิมรถมันรูว่ามันเรี้ยวหวานมันเก็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็าขาดเพราะอมาดทั้งหลายนั่นฟาดมันในยมันยับยืนหมดเลย ท่านก็ถามว่าต้นมะม่วงต้นนี้ทำไมจริงมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมดเขาบอกว่าพวกอมาดทั้งหลายเอากระบองตอีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉะนั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่า ต้นนั้นทําไมกิ่งมันถึงไม่หักต้นมันถึงเย็นต้นนั้นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้ามันมีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องไปขว้างมันใบมันก็ไม่หลุกิ่งมันก็ไม่หักถ้าก็เข้าใจเท่านี้ยอืก็ดีก็เสด็จมาถึงพระราชวังพิจารณามาอืเรานี่มันทุกข์มันยากมันลาบากก็เป็นพระมหากษัตริย์ เดี่ยวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดียวเ็าจะมาลบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกเรามาคิดเท่านั้นทันว่าเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีรูปมีใบสดมีร่มเย็นเรานี่ก็ทำเหมือนมาม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายด้วยจริงมันจะไม่หัก ด, ดี ร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยเป็นมะม่วงเท่านั้นนะทันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัดเปรียบเทียบเทียงกับมหาเหล่าพาทัานมันมีผลละหมากรากไม้ต้นมันก็ลําบากใบมันก็ลําบากกิ่งมันก็ลบาบาก มันยับยืนไปมันพังมันหักไปก็เพราะมันมีมีมีผลต้นไม้ที่ไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็ไม่โดนจริงมันก็ไม่หักลมมันก็เย็นกันนั้นถ้าเราไม่พวกบันอยู่ในอารวาทนี้นะพี่จะเป็นผู้ไปคนเดียวไม่มีความคิดมากมันมีความลํำบากมากจิตใจก็จะสบาย ท่านออกบทนั่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบทเพ่อใครเาะใครเป็นอุปชาวะต้นมะม่วงเป็นอุปชาเนี่ยไปทีนี้ถามว่าใครเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านนั้นเนี่ย ม, มาได้แนะนำคำสอนเลยมากมายแล้วต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนายกธรรมพราท่านก็ทำภาลหายน้อยเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่โดดเดือดจากสวรัสสมบัติจิตใจก็สบายออกบวช อันนี้ในคราวที่กันเป็นโพธิสัตทันบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ก็เมือนกันทันนันทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเราถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวทันนันดะมันจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้พเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอน ให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเสาเสาวันทุกตะการในโอกนี้มันสแสดงลักษณะอาการของมันตามความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไะเดียนที่ไหนรู้เอาที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจจุบันทำได้เหมือนปจนอัจจานุกรมาน เพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่มีอะไรขาดเลยธรรมีปัญญาธรรสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นนะมันก็ปรงอณิจังทุขขังอณาตาได้เะนั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกๆต้นเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพัตตรีนี้ ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นปเป็นแนวเดียวันมันจะเป็นปเปในแนวอันเดียวกันเป็นปเป็นในแนวอนิจจังโกขังอนาาัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรต่างๆทุกๆต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางต่างๆทุกต้นคนที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ย ถ้าเราเห็นต้นไม้เป็นๆ น, นั้นเราก็น้อมตระมาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลเราตัวเราก็มันกันคนอื่นก็มันกันมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นผลต้นในท่านกลางมันก็แปรไปเกิดขึ้นต้นมันก็สร้างอยู่ตั้งอยู่ได้บังกบแปรไปเปลี่ยนไปผ น, นที่สุดก็สลายไปนี่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 เป็นไขยะวัยยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายสมมอนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้น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 นอกนั่นไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะีะนี้สิ่งเราไม่มองเห็นโดยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดจันก็แปรไปเมื่อแปรไปได้ยกปราศรูนไปเท่านั้นเรียกนา ม, มาธรรมสักว่กเความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้น อันนี้ร่วงเป็นจะอริยสัจจะทำทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นอืมไม่เห็นอืมฉะนั้น เ, เรามีปัญญาเราจะไปฟังธรธรมพระพุทธเจา้ภภภจาพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจา้า อ, อยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไห น, น ถ้สงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมถ้าธรรมก็อยู่ที่พระพุทธนี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่า อ, อ, อ, อ, อ, อ่ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่นะมามธรรมคือความคิดรู้สึกเมื่คิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนออมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่ เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วความโกรธก็แปรไปเมือไไอ่อแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเนี่ยอืเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขก็สลายไปหมดเนี่ยก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาทางลูกอัอนนี้ เดียดแต่ทางนามั น, นี้ทางของภายในคือรูปนามั น, นี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้อนไม้ปูเขาเถาวันทุกประการ น, นี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียวกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอืม ถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะไม่ติ่นตไรฉะนั้นถ้าผู้มีปัญญาจะไม่จําเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดได้มันดับเกิดได้มันกระ ด, ดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่ก็มีพกะมันดีฉะนั้นพวกเราทางหลายนั้นธรรามีสติมีความบริสุทธิ์ได้อยู่จำตัดจำญะ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 แต่บุคคลเราเขาจะว่าท่านตายไปแล้วท่านนิพพานไปแล้วตอนเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานและก็ท่านยังอยู่และก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาคือธรรมะนั่นเองใครทาดีก็ต้องไดีดอยู่วันอย่างธรใครทําชั่วมันก็ในความชั่วอืม เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นเลงก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้กินพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมธรรมจึงตรัสว่าพิสุททั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้า ธรรมะที่พราพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบอ่อลงไปให้ถึงน้ำก็เห็นน้ำ ในเช่นเาบูรุษนั้นไปแป่งน้ำไปทำน้ำให้มีขึ้นบูรุษมันตรงกำลังขบบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำมันมีอยู่ในเช่บูรุษนันไปแต่งน้ำอันนี้ก็อกันใดกาั น, นั่นเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้ป็ญยัดิปัญหััิธรรมะ บัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วจันพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านไเข้าไปรู้ความจริงอันนั้นความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าถนัดจัดจรูธรรมจัดจรูธรรมพระพุทธเจ้าจัดจรูธรรมคือไปรู้ธรรมที่มันมีอยู่ ไปรู้ทำไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่แค่ไหนไปแต่งตั้งขึ้นมาเหมือนกับนกระบรุดที่ขุดบ่อไม่ได้ไปแต่งน้ําไม่ได้ไปทําน้ําให้มันเป็นน้ำคือน้ํามันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลงกําลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปให้รื้อเกิดน้ำกันนั้นไอธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้ว ฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเห็นธรรมพรเดียวกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือธรรมที่ไปกัตรู้ธรรมะนั้นตัวรู้นั้นก็คือรู้ธรรมนั่นอเองแหละไะสอบพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่า ใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรานี่ใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ตัวแสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรมพระธรรมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายนี่เป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าใครก็เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตากรุณาศัตว์ทั้งหลายอยู่ ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความบกุฎปฏิบัติดีจงรักพักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะบุคคลนั่นก็ยังมีกุณงาความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้เนี่ยขาดไปทั้งหนเห็นอย่างนั้นแต่นั้นถ้ามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเร า, ยรายอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าต่อพระพุทธเจ้า เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นแค่นั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พ ร, ระพุทธเจ้าก็ยังมีอ ย, รร ย, อยู่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นกันว่าสิ้นจบลงแล้วในารรการต่อพืชปฏิวัติเราจะนั่งทีนั้น ยืนจะเดินที่ไหนไปหรืฟังธรรมของขพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอ <c oughs> ะนั่นั่นทพื่อใหอยูใ่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกวิ่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้ถ้าสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นอพระพุทธเจ้าที่ไหนสั ง, สรงวรทีงไหนสังรวมให้รู้จัก เหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายจิยตแต่ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นทีน่นี้ความชัว่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่นี้ออินทรีย์ทั้งหลายนี่ก็อยู่ในตัวของเราเต็มใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจงมูกนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมลิ้นก็เป็นใหญ่ในการดืร่มรส ร่างกายนี้ก็เป็นใหญ่ในการถูกกล้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นจิตใจนี้ก็จิ่เป็นท่้นบอกว่าเป็นธรรมารมเือขึ้นมาท่านบอกว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นเือเ่าผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเนี่ย เป็นของง่ายเป็นของไม่ยากอะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกหมดทุกอย่าง ค, คล้ายว่าท่านสร้างสวนผลนไม้หนึ่สวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างเลท่านมาเชิญพวกเราช่างดา่ายไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่า น, นั้นศินกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญา ก, ดก็ดีพ่อพรพุทธปฏิบัติทุกประการนั้นท่านแนะนําทนสอนมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มี น่ไม่ต้งไปแต่งเอาไปตั้งเอาไปบรรญัติเอาไปคิดเอาก็มาทำตามวิ่งที่มันมีอยู่นี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอย่าะนั้นพวกเราเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลธรไมให้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนั้นรองบอดีบุญสมบูรณ์แล้ว ขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม่เท่านั้นอันนี้ก็แั็นนั่นเหมือนกันโอ้ธรรมะค า, าสอนของพระพุทธเจ้าผิดปตดีถูกตดีควรตดีไม่ควระดีท่านสอนหมดทุกปิ่งทุกประการเนี่ยยัเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปประสุตปฏิบัติคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราเ่มีโชคหลายมีบุญมาก เ ม, มองไปทึ่สัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นสัตว์ที่มีอาภพมากเช่นงูไก่หมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรม เมื่อมันมีโอกาสที่จะเรียนทาจะรู้ทำจะปฏิบัติทาจะเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะ้นทุกข์นี่นี่เรี๋ยวสัตว์เป็นสัตว์ที่อาพัสสัตว์ที่สลายกรรมเป็นอยู่เป็นต้นมนุษย์เ้าทั้งหลาย น, นี้ไม่ควรทำตัวอะไรเป็นมนุษย์ที่อาพัสคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัต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 มนุษสัตวนราชนทั้งหลายเป็นสัตว์มีอาภัพคือไม่อยู่ใน่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นมนุษย์ดาวนี้จึงเป็นพูมีบุญวาสนาบารมีที่สมควรถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจ ความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมให้เห็นธรรมในสมเนตที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แต่นั้นมันจึงต่างจากสัตว์เป็นพระพสัตว์ไม่ใช่อภพพสัตว์เป็นสัตว์ที่ควรกับพรู้ธรรม อันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืท่านจะไปหาที่ไหนเมื่ อ, อไหร่จริงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรไนี่ยจะทําดีเดี่ยจะดีด แม้กะทัาชั่วก็ได้ชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นเพงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญเหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเินสัตว์ปิการาทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้น มันก็จะกลับลงไปเป็นสัตว์ปราหลาดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรติายเป็นยักษ์เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อตั้งโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละ เมื่อความโลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงภาวะทั้งหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแลยมันก็เป็นชาต